ฟังทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำตามสิ่งที่เราได้ยินมาเช่นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้พร้อมทั้งประธรรมคมสอน เราก็ได้ยินได้ฟังมาฟัานฟังทำพวกคือฟังการฟังเรื่องของตัวเรานี่เรื่องของตัวเราก็มีกายมจใจนี้จริงที่ดีไม่ดีเกิดขึ้นก็ที่กายที่ใจนี่เราก็เห็นเห็นกันอยู่ สิ่งที่ไม่ดีมันพัฒนาให้ดีได้สิ่งที่ไปถูกพัฒนาให้ไม่ถูกได้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษพัฒนาให้ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าไม่ทาถ้าม่นเปลี่ยนร้ายเป็นดีมันก็ปวดทุกข์เทือนต่อตัวเองและคน อ, อ, อื่นจริงหรือวัตถุอื่นเป็นปัญหา จนต้องมีตำรวจทหารมีคุกมีตารางมีตัวบทกฎบ้อยมีผู้ปกครองมีผู้บริหารก็ยังไม่อยู่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนยเยอะแยะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นทุกบ์นโทษก็ยังพากันทำอยู่ ยาเสพติดเป็นค่าป้นที่คุมคืนชีวิตของคนเราก็ไม่ปลอดภัยคนดีก็ไม่ปลอดภัยคนชั่วเกิดขึ้นน้อ ย, อยแต่ทำให้คนดีลำบากกันมวลมากเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมมันเป็นการต่อยอดชีวิตใหม่มาไล่เป็นดีมาผิดเป็นถูกมาหนักเป็นเบามาทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จึงจะเป็นมนุษย์ถ้าไม่เปลี่ยนไล่เป็นดีมันเป็นคนไปจูบบอยมากเท่ากับขนโค ถ้าไม่เปลี่ยนร้ยเป็นดีโอ้าปฏิบัติท่ทําให้เกิดความดีก็ทำได้ปัจจัได้จึงเป็นพุท ธ, ธขึ้นมาได้จนมีชีวิตที่มั่นสถานตัวเองก็พึ่งพาอาศาตัวเองได้คนอื่นก็พึ่งได้จิงอื่นก็พึ่งได้ จึงเป็นสมเชื่อเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมานพัฒนาได้งานปฏิบัติธรรมเป็นงานพัฒนาชีวิตงานต่อยอดมีมีสติลงไปยอดใหม่อะไรที่เกิดขึ้นกับปลายกับใจที่ไม่ใช่สติต่อยอดตรงนั้นถ้าไม่ดีตรงไหนให้รู้จักตัวตรงนั้น ยอดเดียวไม่ใช่หลายยอดควมดีกำเนิดเกิดขึ้นที่สติตัวนี้เป็นโพธิพันธ์เดียวต่อลงไปในกายในวาจาในใจของเราเราก็มียอดที่ไม่ดีทวารของเรามีสามทวาร รักษาสามปลายหายสามโทษทวารกายทวารวาจาทวารจิตใจมันไม่มากเกิดที่ตรงนี้ความชั่วความดีเกิดขึ้นที่ตรงนี้มีสติความรู้สี่กาย นิสติความรู้สติกายก็เห็นทั้งหมดที่มันเป็นทวนันไม่ต้องไปเปิดดูนูน่นดูนี่เห็นกายเห็นความคิดเห็นวาจาที่มันจะพูดออกมาเป็นทวันไปไปลายวาจามันออกมาจา ก, กจิตที่มันคิด อาวานที่เป็นต้นตอคือความคิดเกิดจากความคิดเป็น ร, รมตัวร้อยเป็นหมายเลขหนึ่งคดีหมายเลขหนึ่งเดนโทษมากเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็มีที่หวังได้เมื่อจิตไม่เศ้าหมองสุ ก, กติก็เป็นที่หวังได้สุ ก, กติความดีความฝ่าสุขความสงบร่มเย็น ถึงมรรคถึงผลที่ผ่านเราอยู่ประเภทไหนจิตใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ใช่จิตใช่ใจอย่างไรใชเใจทุกเรื่องหรืออะไรเขาคิดแปนี้นก็ปล้อยตามความคิดแล้วแต่ไม่คิดอะไรความคิดปันหาวานของจิตกรรมก็เกิดตรงนี้ กวมเปิดขึ้นที่จิตจิตเป็นใจจิตเป็นหัวหน้าสำเร็จก็ที่จิตใจเราจึงมาได้วิธีการตามวิชากรรมฐานเดาเห็นทุกคนก็เห็นความคิด ถ้ามีสติเป็นเจณฑ์ขี้วัดถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นคิดอะไรก็นื้อวะตัวว่าตนทั้งหมดหยุดล ก, ก็ละคิดโกดโกดคิดสุ ก, ก็สุขคิดทุ ก, ก็ทุกเอาความคิดเป็นสิ่งบงการให้เกิดสุขเกิดทุกข์ไปห้อยไปเขนไว้กับความคิดในแต่ไมาคิดอะไรจนไม่มั่นใจจนพึ่งไม่ได้ความคิดเปือเป้อนไปหมดเลย ใจเปืเป้อนประวลเลอยคิดดีไม่เป็นทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายถ้ามันเป็นนิสัยแล้วแเ้ามาเพิกเนี่ยมันคิดที่ได้ให้รู้จักตัวติดยอดต่อยอดลงไปเล่อยข้างฝันหนให้รู้ร้่อยข้างฝันหนตรงนี้ถ้าเรามีสติเป็นกายเห็นจิต ถ้ามีไม่มีสติไปนในกาก็ไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดเป็นไปทั้งหมดกับเรื่องของกายของใจแบบนี้ลำมามีสติเหมือนดวงตาภายในเห็นกระทั่งความคิดเห็นหมดชีวิตของเรามาทางไหนรู้หมดมันเป็นช่องแคบมันเป็นที่ชุมของสิ่งต่างๆ ให้เราได้มาเห็นผ่านมาให้เห็นหมดไม่มีตรงไหนปิดบางงามพรางถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติก็เป็นเป็นนี่ไม่เห็นนะถ้าว่าเห็นนี่จะไม่เป็นง่ายง่ายงสุบก็เป็นชุบทุกก็เป็นทุกโกรก็เป็นโกรกหลงก็เป็นหลงล้อก็เป็นล้อเกียร์ช่งก็เป็นเกียดช่างมันเป็นถ้าไม่เห็นมันก็เป็น บางทีก็เป็นแล้วก็ทำตามความวภาวะที่เป็นต่อโกรธก็ทำตามความโกรธต่อรักก็ทำตามความรักมันอะไรที่เหมือนเป็นกันบังคับเราเป็นกรรมเป็นกรรมชนิดหนึ่งเราก็เลยมีกรรมเป็นของของตัวเป็นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วแต่จิตใจจะคิดยังไง พึ่งก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คุ้มร้อยคุ้มดีแต่นี่มาแก้กรรมเวลามันชิดกันมาลู่สุดตัวนี่เป็นการแก้กรรมได้กรรมใหม่เอาไว้ชิดกันทักที่ได็ลู่สุดตัวแต่มันไม่ชิดก็ลู่สุกที่กายเป็นวิชากรรมวฐานนี่ ก็ยนไว้ไปมาให้ลู้จืกตัวอยู่นี่หายใจเข้าหายออกเยอะแยะอส่า ร, รมเรียกว่าบัพพะในหนังสือวิจัยพิดกที่ตั้งอยู่ที่ลานธรรมเือแยะเลยอุปกรณ์การที่จะให้เกิดความรู้ในกายของเราเยมากมายเราจึงมีกรรมฐานเป็น ย้อนใหม่พระใจใส่ยอดลงไปเกิดอะไรขึ้นที่การที่ใจมีความรู้สึกตัวอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างไรให้ทำอันนี้เรื่องให้สุดความสามารถมันก็ไม่หนักไม่หนาอะไรปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหลงก็ไม่หลงได้มันโกรธก็ไม่โกรธได้มันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ได้ นั้นทำหน้าอยู่เอาพระเจ้าจังว่าพระธรรมันพระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วโอ้ศึกษาปฏิบัติปังธรรมด้วยตนเองตัวใครตัวมันหลงเองนกอเปลี่ยนไม่หลงเองให้รู้เองอย่าไปจนตัวคนหลงหลงที่ได้ก็รู้โกก็รู้บทุกก็รู้ อะไที่มันเกิดเกิดกาเกิดจยอยรู้รู้ทั้งอย่างเดียวเท่านั้นปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเนี่ยปฏิบัติได้อยู่มันหลงไม่หลงก็ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้อย่าโจนตรงนี้เถียนายมันก็เปลี่ยนตรงนี้แหละทะย่อดตรงนี้ทะย่อนใหม่ตรงนี้มันได้ประโยชน์ตรงนี้ ได้คุณได้ค่าตรงนี้พระพุทธเจ้าตะจสรู้เรื่องตรงนี้ไม่ใช่ที่ไหนเห็นทุกหน่ะนะทุกแต่ ท, ทำไมเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาผุุ้ชนเห็นทุกเป็นทุกควงหลงเป็นหลงความโกรธเป็นโกรธว่าผูุดชนผู้หนาผู้มืดผู้บอดราจะทำตามพระพุทธเจ้าทำตามบ้าทมก่อ ทุกข์กันแหเป็นพุทธะถ้ามันมีทุกข์พะพุทเจ้าไม่มีทุกข์ เ, กเพืออะไรมากมายในกายในใจเราเนี่ก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็ตากจากของล้อของชอบใจก็เป็นทุกข์เยอะแ ย, ยะไปหมดเลยมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์ยางเอาแล้วจะทําอย่างไรพวกเราจะต้องจำ น, น้นจะต้องยอมรับเหมือนเช่นนั้นหนระื มันมีทางปฏิบัติอยู่มีสตินี่มันง่ายง่ายเป็นเครื่องทุ่นแิงให้เราได้ทำอะไรง่ายกลับมาหากรรมฐานอย่าไปแก้ด้วยความคิดแก้ด้วยเหตุผลไม่ต้องใช้สมองกรรมฐานแก้ด้วยการกระทำแก้ด้วยการกระทำ ก็มหาที่ตั้งกรรมการกระทานี่ฐานคือที่ตั้งไว้นี่กรรมานี้กับมานี้นให้ทําอย่างนี้กรรมฐานถ้ากรรมาทาํอาทอย่างนี้คือเมื่อรู้จักตัวรวมรู้จักตัวนี่ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่มีค่ารวมรู้จักตัวจะมีค่ามากกว่าอย่างอื่น ใช้ได้จริงๆเป็นธรรมจริงๆิเป็นประโยชน์จริงๆถูกต้องจริงๆริงอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่รูนะะสัมผัสกับความรู้ในคราวเดียวกันคนละมุมหน้ามือหลังมือมันก็จะสัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วก็บอกความเทศความจริงจากผู้ปฏิบัติปุดทุกข์ยังลอย ถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีสติก็ไม่มีขี้เกินขี้วัดบอกมัได้ถ้ากรรมารู้จักตัวที่กายเนี่ยกรรมฐานที่กายตั้งไว้ที่กายที่มีความรู้จักตัวเนี่ยมันจะจำแนกไปาได้ส้อมผันโลกเป็นไปเองจนเป็นจนชำนาญง่ายที่จะรู้ อะไรกิกายกับใจของเราง่ายที่จะรู้ง่ายที่จะรู้ฝึกมาใหมก็ง่ายที่จะหลงไม่เป็นลายมันใช่มาผิดก็เป็นอย่างนั้นฝึกมาใหม่ก็ง่ายที่จะหล ง, งหง ล, งลงไปทางไหนเป็นนี้เสยอะไก็หลงไปตามนิสัยที่เคยใช่มาหลักรรมะหลุดโทชาจริลดโมหจะจริล ข้อมลงอกอกหน้าออกตาโทรศัพท์ข้อมกดออกหน้าออกตาตาเห็นลูกก็พอใจไม่พอใจนั่นมันไปแบบนั้นหูได้ยิงเสียงก็พอใจไม่พอใจแล้ว <c oughs> ก็มาถึงใจยังหมุกได้กินเล่นในรถก็มาสู่ที่ใจแต่ถ้าหวานที่ข้อมูลที่เก็บข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์ <c oughs> <c oughs> เจ็บเอาเจ็บเอา กายเป็นวิญญาณกายเป็นอุวาทานในขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณติดไปเฉลยปกนะ็ติดวิญญาณเมันติดติดสัญญาก็เจ็บไว้เจ็บไว้เมื่อเจ็บไว้มันก็ติดเมื่อมันติดเราก็เป็นไปตามสื่งที่มันติดเหมือนเสื้อผ้าขาวแต่ก่อนมันขาวสอ า, ารบริสุทธ แต่เดิมอยู่พอมาใช่ไม่ถูกต้องสมชี ส, ม, ส, สมหา้าแ ล, ะ ล, ะ ล, ล, ลื่อๆเท่ัวก็เพื่อนไปอ่าเนื้อดีๆกลายเป็นผ้าเกิเพื่อนไปนไหมดเลยเนื้อผ้าเดิมก็เลยถูกกระเดื่นกบเกลือนไปหมดมองไม่เห็นความดีของเนื้อผ้าเขาไม่เคยซักแต่ก่อนนี่จี๋ของหล่อเหมือนกันพระที่เจ้า ว, ว่า แต่ก่อนนี่จิตประพัดสอนผงสงยสอยู่เสมอแต่ใช่ไม่เป็นอุปจิเลศมันเปิดเพื่อนทำให้จิตเศ้าหมองความเศ้าหมองเกิดจากจิตตัาเรายู่ก็รู้ว่าเราสาเราสาถ้าเราโกรธก็เราโกรธเราทุกข์ก็เราทุกข์บางกรูได้โกรธจดไม่ลืมเป็นเราไปเสียแล้ว ความทุกก็คือกูความกูเกิดกูความรักคือกูความผิดเกิกูความถูกเกิกูอ่นได้คือกูอก็เฉยกูยืดมันถือมันไปหลงทิศหลงทางไปเลยเราจึงต้องมาฝึกมาต่อยอดไปมาไลายเป็นดีคือมิจตินี่รู้จักตัวที่นี้มันจะ เห็นมันจะไม่เป็นจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราก็เห็นหมดเห็นทุกข์ขวนจอกทุกข์ดยไม่เป็นทุกข์ดอเห็นนี่มันมันเป็นการสัมผัสที่ง่ายๆแต่เป็นมันยากมนหนักสัมผัสดูเห็นความทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์นะเห็นความหิววม่ได้เป็นผู้หิวมันจะเบากว่ากันสักหน่อย ถ้ได้เห็นละเบาบาถ้าเป็นละมันหนักนักคนละอันถ้าเป็นละตัวเดียวกันถ้าเห็นคนคนหลายอย่างแต่ว่าที่เห็นนี่เป็นความบริสุทธิ์เป็นเป็นพงไม่จันได้ถ้าเป็นละไม่บริสุทธิ์เลยไม่เป็นพงไมจันเป็นพระก็ไปได้เป็นโฉกไปได้มันมันอยู่ตรงนี้ได้เห็นและน่ะตัวปฏิบัติ เห็นแล้วก็ไม่เป็นง่ายคือง่ายง่ายไม่ได้มีวัตถุอันอื่นที่จะมาซักให้มันสอาดได้เวดาเขาก็หายโกรธข้าเขาก็หายโกรธได้เปรียบคนหนึ่งก็ก็ดีใจมันก็ไปแบบนั้นซะดีใจเพ่อทำผิดก็เลยดื้อด้านไปเลยผู้ตุชนแน่นหนาไปเลยดื้อด้านมือตื้อไปเลยไม่มองเห็นความดีไม่มองเห็นคุณเหน่นโทษ ไม่มีความเมตตากุณาสงสารสงสารตัวเองก็ไม่เป็นเมื่อสงสารตัวเองไม่เป็นก็สงสารคนอื่นไม่เป็นเมื่อสงสารตัวเองเป็นแล้วก็สงสารคนอื่นจิงอื่นวัตถุอื่นโอกคนทั้งโลกได้หากรุณาที่คุณ ปล่อยให้เราทุกหลงโกรธอยู่ไม่สงสารตัวเองปล่อยให้เราหลงอยู่ขอบคุณเกิดจากคิตใจก็มากหนะลังพลุงพะหลังเป็นเหล้าสุบุรีเศษยาเศษปิดทเทีเ่ยวเตะเล่ลอนกลงคืนสป็นความกลางบันเป็นไ่กลางคืนว่าฝันกลางวันว่ายคิดจกอกสอบสอบเทีเ่ยวเตะเลหลอนกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนไม่สงสารตัวเอง การอยู่การกินสิ่งที่เป็นอาหารสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็ไม่รู้จกักไม่สงสารตัวเองบางทีก็ยังโกดธอนตัวรูปตัวกายนี่มันมันก็ทุกข์อยู่แล้วยังหาทุกข์มาให้มันอีกมันเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ก็ต้องหน้าที่เราจะองช่วยมันให้มันเบาขึ้นมา ของที่มันหนักไอ้มันเบวกรึ้นมาตาลาฮาเวเปันจากขันธาขันธั้งห้าเปของหนักเนอ้อตาลาฮาโลเจาปุกาโลบุคคลตันเหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปตาลาธนังทุกขังโลเจการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกน่านะบูดนะเบื้งไปยังทํากันให้เห็นอยู่ บางทีก็บอกโคสนันดากูโกรธนะเนี่ยถ้ากูได้โกรธก็ไม่ยอมนะด่ากันได้หัวเมียก็ด่ากันได้ทำตามความโกรธเสียเปรียบความโกรธมากมายเสียผู้เสียคนความโกรธเอาความโกรธตัดชีดวิตเลยลกันโกรธกันข่ากันแยกทางกันทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้ ง, ง, ง, ง, งคนดีก็ไป เอาแต่ใจตัวเองกันหญ่างนี้ไก็ยอมตา ม, ตามจนเป็นคนเชื่อผู้เชื่อคนเราจึงปฏิบัติธรรมนี้ให้มันเห็นแจ้งไม่มืดรวมหลงไม่ถูกต้องเห็นแจ้งรวมทุกข์ไม่ถูกต้อง ความไม่ทุกข์ความไม่หลงถูกต้องเห็นความถูกต้องตัดสินใจด้วยความเป็นธรรมเรียกว่านิโรธเห็นแจ้งนิโรธทําให้แจ้งความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องแก้งตรงนี้ความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องแก้งตรง น, นี้ก็ดําเนินชีวิตไปด้วยความถูกต้อง เมื่อดำเนินชีวิตเป็นความถูกต้องก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเองหรืคนอื่นสิงอื่นวัตถุอื่นได้แล้วก็ปฏิบัติก็ก็ง่ายสะดวกถ้าจับหลักได้ดีๆสะดวกมากเมื่อสะดวกการปฏิบัติจะเห็นอะไรก็ยิ้มยิ้มเหม็นความหลงก็ยิ้ม ง่ายง่ายอความทุกข์ก็ยิ้มง่ายง่ายหัวร้อยเพียงแต่ยิ้มมันก็หลุดไปแล้วไอจิเละตันหาก็ยิ้มยิ้มน้อยน้อยถ้ามีสติที่เป็นองค์มรรคคือเห็นแล้วไม่เป็ น, เ ป, นเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาสานนินก็เกิดตรงนี้บุญก็เกิดตรงนี้บาปก็หมดไปตรงนี้ กะเราที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ดีรู้สึกตัวนี่หรือว่าเป็นการทำบุญถ้าบ่วงไม่ดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจไม่รู้สึกตัวเป็นไปตามอาการที่เกิดขึ้นนั่ก็เป็นบาปบาปคือทุกข์คือเป็นภาละบุญคือเบาคือสุขหดินชิงก็เกิดตรง น, นี้โดยเพราะความเป็นทางกฤษเนี่ยเมื่อมีสติเอา ก็ตัวจิตนี่แหละมันจะโผล่มาให้เห็นมากที่สุดก็ได้บําเพ็ญัางจิตมันคิดขึ้นมาที่ใดก็รู้ขึ้นมาอันคิดที่ใดก็รู้ขึ้นมานี่บำเพ็ญทางจิตเมื่อจิตทุกสอนบ่อยๆเมื่อจิดทุกสอนบ่อยๆจิตมันก็รู้ประเสริฐ ต, ตรงนี้มันสอนได้มันถัดได้มันฝึกได้ ง่ายง่ายอย่างนี้ไม่ใช่หนักไม่ใช่เหงื่อไหล ใ, หใครย้อยเมื่อมันถึงภาวะมันเป็นปทางจิตก็เมือ่อจิตมันเชื่องแล้วก็บดไปเองก็มาฐานเป็นการเบื้องต้นเป็นที่ตั้งของการกระทาเหมือนเราไปเรียนหนังสือต้องอ่านต้องเขียนลงไป จำเอาตัวอะไรไปนั่งช้อนลายอ่านออกเมื่ออ่ออานออกเขียนได้แล้วก็มันต้องไปเรียนมันอีกอา่านไปได้เลยรู้ความหมายไปเลยกรรมาฐานก็เช่นการไม่ใช่จะไปนั่งสร้างจังว่าเดินจังกรมอยู่เล่นนั่นตลอดไปเป็นการฝึกขาดเบื้องต้นให้ได้เคยชินรวมรู้จักตัวนี่ก่ในตัวมันเองมาหลงกับรู้ ว่าทุกข์ก็ลู่ไปเลยถ้ามันมีสนุกดีตรงนี้อยากเขียนมันจริงๆว่าทุกข์เลยมันอยู่ที่ไหนเจเป็นทุกข์หรือเก็บเป็นทุกข์หรือตายเป็นทุกข์หรือมันก็ไม่มีถ้าเราได้ชนานาญแล้วชนานาญทางแล้ว เ, เป็นศาสตร์เป็นจริงจรินก็เลิกเสาไปเลยปกติทุกโอกาสชีวิตปกติตลอดเวลาทุก วิตระทีทุกตะทีทุกชั่วโมงนี่คือศี่งมาที่กับมั่นคงอยู่เสมอหนักแน่นอยู่เสมอไม่เป็นอะไรกับอลายสิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจไม่เป็นอะไรกับอลไรนี่ปัญญาก็บโลกรู้อยู่ทนี่ดูแลตัวองอย่างปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าปัญญาวงโลกสุดท้ายวงเล็บติด เดียยถ้ามีปัญญามีศีลมีสมาธิปัญญาช่วยศีลก็มาช่วยสมาธิก็มาช่วยปัญญาก็มาช่วยก็ปลอดภัยไม่มีภัยชีวิตที่ไม่มีภยั ย, ย, ภยเรียกว่าอริยะบุคคลชัน้นใดชั้นหนึ่งจำนี้จานานมากก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปนี่คือการฝึกตนสอนตน เราเป็นคนดีไม่เมตตาคนลำก็เป็นประโยชน์กับกูนสอนตัวเองสอนคนอื่นจริงว่าตัวอื่นแทนความโกรธลูกหลงซะตอนนี้ความโกรธมันเป็นใหญ่ความหลงมันเป็นใหญ่ความโลภมันเป็นใหญ่โลภว่าหลงมันเป็นตัวเป็นตนเมื่อโลภวลาหลงเป็นภูเราก็โลูกคนอื่นได้เอาเปรียบคนอื่นได้ ไม่มีเมตตากนนะมนุษย์เราคนเรานี่เป็นชาติที่น่าสงสารมากมีการเกิดจเจ็บเจบตายด้วยกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันมาช่วยกันเนี่ยยิ่งเป็นครอบเป็นกลัวยิ่งดีใหญ่ถ้ามีธรรมะก็เหมาะเหมาะคิดจะเป็นอะไรเป็นพ่อคนแม่คนถ้ามีแล้ว ปัญญาเป็นสามีของคนเป็นลูกของคนถ้าถ้ามันมีแล้วถ้าไม่ ม, ม, มีก็เป็นผู้มาอยู่ในเพศนักปวดนี่มันสะดวกเพื่อที่จะเป็นส่วนกลางเป็นของส่วนรวมเพื่อจะได้ทำงานอันนี้ขึ้นมานี่หรืว่าปฏิบัติธรรมมันมันก็ดีอย่างนี้ ป็นปฏิเอย่างนี้ทำไมเราจะไม่ทำกันปอตัวเองหลงอยู่ทําไมปลยตัวเองโกรธทาไมปอยเองทุกทำไง ม, ม, ม, มันไม่โกรธก็ได้ไม่หลงก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้มันดีอะไรความทุกข์แต่ความโกรธแต่ไปอ้างกันทำไม น, นอายบ่เถียนพูดว่าถ้าโกรธแล้วน่ะอายมืนจะให้ผ้าแก้ผ้าอ้อมบ้านก็จะเอา แก่ผ้าเดินอ้อมบ้านก็จะเอายังไม่อายเท่ากับความโกรธความโกรธมันน่าอายกว่านั้นน่าเกลียดเพียงแต่คิดเฉยๆกูจุก ป, ปกที่ไม่ไตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นมีไหมไม่ชีมีบ่ไม่ชีมีไหมความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนะนั่งเกีวสร้างจีบมันคิดไป <laughs> นั่นแหละตรงกันข้ามพอดีเลยกับความรู้จึกตัว งานผมรู้สึกตัวเป็งานเห็นนะนี่ม yeah. ีรู้สึกตัวจากงานของเรานะงานตรงนี้เป็นงานประเสริฐเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เนี่ยมาคิดไปก็เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เนี่ยมันดำไดาอยู่อย่าไปทุกบความคิดมันคิดมากมันเครียดง่วงก็ง่วงเอาความเอางานมาทําให้เป็นความเครียด ค, ค, ความง่วงควมยากความง่วงก็ออกมาเป็นควมยาก ความชิดมาเป็นความยากทําไม่ได้ทำไม่ได้คนเกียดข้านเป็นไงฮึดใจสู้เลยง่วงขึ้นมาทำไม่ตื่นเลยยืดตัวขึ้นเดินนั่งอยู่มันเอวตั้งต้นใหม่หน้าอกตั้งต้นใหม่ต้นคอตั้งต้นใหม่ใบหน้าตั้งต้นใบใจก็ตั้งใหม่ใช่ไหม ดีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตที่เฟื่งหัดอย่าให้อยู่ในอีโบดหรือรีโบดเ ด, ด, ดียวหล่อนให้เปลี่ยนอีโบดใหม่ๆเรื่อยๆเพื่มพอมารู้สึกตัวก็ชอาไปอยู่กับจังหวะก็คมเกือบพระไม่รู้จักเอาชาเอาไปเอาถูกเอาจำจับลงไปสิบสองลูกหนึ่งลูกสองลูกบางทีก็ทําไปเลยทำไปเลยได้ง่ายเล มีมีศาสตร์มีเ ส, ส้นทุกรูปแบบมาทางไหนก็ได้ทำท่าประมาทก็ได้ทำท่าเล่นตัวไหนหยอกล้กก อ, อันนะเพื่อจะได้รู้ตัวมันมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็เห็นอยู่อะไรเกิดที่ไม่ใช่สตินั้นเปลี่ยนอย่าไปปล่อยทิ้งแต่ย่านมารูเจิกตัวแล้วอันหนึ่งได้เปลี่ยนวรม ไม่ดีเกิดกับปากับใจเยอะแยะเลยนี่ให้แล้วเปลี่ยนเป็นงานของเรางานกรรมฐานนี่มางานเปลี่ยนไอยเป็นดีอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นความยากความง่ายเป็นผิดเป็นถูกถูกก็ลู่เนี่ยผิดก็ลู่เนี่ยสุข ก, ก็ลู่เนี่ยทุก็ลู่สงบก็ลู่ฟงศ่านก็ลู่เอาไปอย่างนี้นะอะไรที่มันถ้าเอาความรู้ไปเกี่ยวข้องเรามันจืดมันไม่มีค่าความรู้มีค่ามากกว่า ผิดก็เป็นผู้ผิดหรอยากไม่อยากให้มันคิดมันก็ยังคิดอยู่กลายเป็นความไม่ทำไม่เป็นไม่อยากให้คิดมันก็คิดวันที่นอนไม่หลับมันก็คิดบอกเจองนอนไม่หลับบีบตาลงไปมันก็ยิ่งไม่หลับอันตัวคิดมันนอนไม่หลับมันอันนั้นแ่ะเป็นอันตรหลายนอนไม่หลับมันก็เป็นหลายไม่เป็นหลาย นอนเล่นเล่นหลับก็ไม่เป็นไรไม่หลับก็ไม่เป็นไรก็รู้จักตัวนี้จะได้มีโอกาสรู้จักตัวบบอกกลมตัวเองมาบอกเอามาเป็นเรื่องบทเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็อดกลางวันอย่าไปนอนตบงานตบไปนอนกลางวัน หลับหลับตื่นตื่นนั่งนั่งนอนนอนกลาน้นอ น, น, น, อนไม่หลับอ้ะเมันเหนื่อยเลยดีกลางวันเนีจะได้นอนหลับกินแฉบนอนหลับอ้อฝึกตนสอนตน้นทําไมฝึกใครจะฝึกให้เราจะโกรธจนตายจะหลงจนตายทุกจนตายหรือคิดถึง เ, เลกนี่มีค่าห้ายถ้าทําอย่างนี้มาช่วยกัน เอาถัวขึ้นมาใหหลุดพ้นจากที่เหล่านี้จะมีคนที่ช่วยเราเป็นชาวสังคมต้องช่วยกันช่วยคนที่ทุกช่วยคนที่โกรธงานเขาหลออ่านี้งานครอบครัวงานสังคม ง, งานพ่องานแม่งานลูกงานบุตปัญญาสามีอบอกเออไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแม่หน้าตาไม่ดีเป็นหลเป็นหลหน้าขาดบุญหน้าขาดบุญ เหมือนคนตลาดจ้งข้อลานขายทงลูกน้องชายมาเยี่ยมเห็นพี่สาวเห็นหน้าพี่สาวก็ยกมือว่าไพี่พี่พี่ขาดบุญแล้วนะเนี่ยขาดบุญ น, นะพี่สาวบอกว่าใชา่พี่ไม่มีโอกาสใช่บาททําไมล่ะมึงแต่ทะเลาะ ก, กันกับสามีนอนกันขึ้นก็นทะเลาะ ก, กัน แล้วจะหนีจากกาก็หนีไม่ได้เป็ลูกหนึ่งคนทองเต็มบ้านไม่มีโอกาสใช้บะถ้าตื่นขึ้นมาก็สาว ม, มองเช่าบะก็ไปไม่มีนาบาทแล้วไม่ได้ไปวัดกลางวันก็ข้าขายกลางคืนก็นนมาทะเลาะกันเฮ้ยหน้าขาดบุญหน้าขาดบุญหน้าบุญหน้าเบิบ้งไม่มีรอยบุญเลยพี่ไปเอาบุญเถอะ ม่านพูดเถอะชวนกันมาปฏิบัติที่นี่มาปฏิบัติได้เจ็ดวันแปดวันสิบวันก็มาหาจากนี้กลับไปบ้านสามีชวนทะเลาะ ก, ก็เฉยเอาเรื่องเกาโกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้พูดก็เฉยข้าขายไปแล้วนอนก็สามีชวนทะเลาะ ก, กันก็น จะนอนฉันจนนอนฉันเบื่อแล้วไม่ทะเลาะกันก็นยุตินอนก็นอนทะเลาะชวนทะเลาะกันแล้วชวนทะเลาะอีเขาก็ไม่ทะเลาะด้วยถ้าเคยไปทําอะไรมาก็ไม่ทําหลายไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันมันดีกว่าโกรธเลยก็ให้ท่านทะเลาะให้โกรธเองนะฉันไม่โกรธตรงที่เกียดกรธไปซะ ถ้ามันดีถ้าเห็นว่าทะเลาะกับมันโกรธมันดีก็โกรธไปนั้นไม่เอาแล้วเอ้ยถ้านี่กคดีเกิเขึ้นกนเลยกลายเป็นคนดีด้วยกันปที่บุตรธรรมตั้งคู่ไปเลยก็มีหน้าตาขาดบุญเราก็ช่วยกันเห็นเมียหน้าตาขาดก็มาช่วยเมียเห็นผัวหน้าตาขาดก็มาช่วยผัวเอามือรูปหลังพ่อเป็นอะไรเฮ้ยฉันจะช่วยอะไรที่ไม่ดีอะไร เห็นเหรทั้งมัเราเป็นทุกขอ์อุยอะไรเรื่องอะไรขอโทษขอโทษจงอ ว, วายขอโทษขอโทษก็พูดอย่างนั้นก็ลืมไปไม่ได้ไ ม, ไไมไ่ตั้งใจเราทำนั้นก็ลืมไปไมไ่ตั้งใจขอโทษขอโทษแล้วก็ดีขึ้นมาเห็นคนเห็นข้าซึ่งกันและกันพึ่งพาเสีได้ช่วยกันช่วยกันในยามบิบัต์คือบรรทุกเราช่วยกันได้ก็ก็เป็นกระบวนหนึ่งขกัวสร้างสังฆะ ขึ้นมาในครอบครัวเป็นความสามัคคีกันก็ดีปฏิวัติธรรมเนี่ยเมื่อไม่มีความโกรธความโลภความหลงความทุกข์โลภมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจริงว่าตัวอื่นไปดีมั้ยไม่ขี้ผมเจยไปหรอกราภพร้อมกัน